ถ้าเราจับหลักกองการภาวนานได้แม่นแนละ้วก็าการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากเลยมันแทบจะเหมือนเราแทบไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เราถอยตัวออกมาจากผู้แสดงผู้กระทามาเป็นแค่คนดูดูอะไรดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานจะเห็นเขาทํางานไปได้พอเราดูมากๆเข้าปัญญาจะเกิด เราจะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเราจะเห็นว่าจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ตัวเรานะมันทางานได้เองมันทำงานได้เองอจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันทางานของมันได้เองอยู่ที่เราจะฝึกจิตของเรานะอันแรกเลยฝึกจิตให้รู้สึกตัว ให้ตื่นขึ้นมาให้ได้ก็ลหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้มาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเราพอเรารู้สึกตัวได้เราก็มาพัฒนาจิตต่อให้จิตมีความสามารถที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะถ้าได้เราตื่นขึ้นมาให้ได้หลุดออกจากความคิดให้ได้เพราะความคิดนันปิดกัน้นทําให้เรามองเห็นความจริงไม่ได้คนในโลกเนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ที่อยู่แต่ในโลกของความคิดจะหาคนที่หลุดออกมาจากโลกของความคิดมารู้เนี่ยรู้ตัวอยู่เนี่หายากมากถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็โอกาสที่จะรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าความรู้สึกตัวเนี่ยความจริงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเหมือนกันคือก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ได้เนี่ยท่านก็ต้องรู้สึกตัวเป็นก่อนรู้สึกตัวเป็นแล้วท่านมาเดินปัญญา การเดินปัญญาของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางค น, นดดก็ถนัดดูกายก็ดูกายไปบางคนดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์บางคนดูจิตตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วบางคนดูสภาวธรรมทั้งรู ป, ปรธรรมทั้งนามรธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นกลางกลาไม่ใช่กุศลอกุศลจะดูสภาวธรรมทั้งหลายจะเห็นว่าสภาวธทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดัดบบังคับไม่ได้ เนี่ยแต่ละคนนะจะเห็นเดินปัญญาด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันเมือนทางใครทางมันสมสถัก็เหมือนกันทางใครทางมันบางคนชอบคิดก็ทำกรรมฐานที่ต้องคิดเพ่ได้กรรมฐานได้ความสงบในระดับเบื้องต้นไม่ถึงชาญบางคนถนดัดทางกระสินทางทำลมหายใจทำนะอัปปมัญญาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอนะไรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ทางใครทางมันไม่ดีไม่ชั่วกว่ากันหรอกในการปฏิบัติจริงๆแล้วมีวิธีการในรายละเอียดนกะว้างกวางมากสมถะก็มีเยอะแยะเลยในตําราพูดถึงสมถะ40อย่างในทางปฏิบัติจริงมีนับไม่ถ้วนอย่างพระจุลพันตะกะนะนั่งขยี้ผ้าขาวเอาผ้าขาวมาขยี้นะแล้วก็ปริกรรม ระโชฮระนังระชังหระรติระโชหรณังระชังหระรติผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นบริกรรมอยู่แค่นี้เองจิตรวมลงไปอย่างเนี้ยบริกรรมขยี้ผ้าขาวเนี้ยไม่มีในกรรมฐาน40แต่มันเป็นเรื่องอยู่ในกรรมฐาน40ตรงที่ดูเรื่องอสุภะปฏิกูลดูร่างกายนี้เป็นปฏิกูลในกรรมฐาน40่สิเขียนไว้กว้าง แต่ละอันยังแตกย่อยๆลูกหลานออกไปได้อีกส่วนมิปัสสนานะบางคนก็ดูกายบางคนก็ดูจิตดูไม่เหมือนกันแต่ละคนท่านแจกแจงไว้สีฐานสีฐานดูกายก็ได้ดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้ดูรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลาย ที่ประกอบกันเป็นตัวเราทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลยังดูนิวรณ์ือนิวรณ์ว่านิวรณ์ทำไมถึงเกิดนิวรณ์ทําไมถึงดับดูเรื่องขันท่าในขันท่ามีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนมามธรรมก็ดูแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนเจ้าชายสิทธัตถานั้นบารมีท่านสูงท่านทำกรรมฐานอันสุดท้ายเลยคือไปดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทอันสุดท้ายอริยสัจ เรียนอริยาาสั์โดยตรงเลยในธรรมานุภัสสนาบนทะสุดท้ายคืออริยาาสัจเนี่ยบารมีท่านมากพวกเราบารมีไม่มากดูกายไปดูใจไปบางคนนะถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูใจก็ดูใจทางใครทางมันไม่ดีไม่ชั่วกว่ากันเนะมื่อก่อนจะมีอะไระความเชื่อเชื่อตามตามกันนะ ว่าเบื้องต้นต้องดูกายเบื้องปลายให้ดูจิตจะเชื่ออย่างนี้กันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูเวทนาดูเวทนาถนัดดูจิตก็ดูจิตถนัดดูสภาวธรรมก็ดูสภาวธรรมทางใครทางมันแล้วมันจะเข้าไปที่เดียวกันถ้าดูกายก็จะเห็นว่าร่างกายเนี่ย ไม่ใช่ตัวเราแล้วใครเป็นคนดูร่างกายจิตเป็นคนดูว่าเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราด้วยเวลาดูเวทนาเวทนาเกิดที่ไหนเวทนาเกิดที่กายเวทนาเกิดที่จิตก็เห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตอีกดูจิตสังขารที่ปรุงดีปรุงชั่วทำไมจิตปรุงดีปรุงชั่วได้เพราะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลินล่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสและใจคิดก็อาศัยกายอาศัยจิตอีกลนะกระทบอารมณ์ ดูรูปรธรรมนามธรรมก็มีทั้งกายทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามงั้นไม่ว่าทํากรรมฐานหมวดใดก็จะเข้าใจทั้งหมดอะดูกายก็จะเข้าใจทั้งหมดดูเวทนาก็เข้าใจทั้งหมดดูจิตก็เข้าใจทั้งหมดดูธรรมก็เข้าใจทั้งหมดว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่ใช่เรารูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเป็นตัวทุกจะเห็นอย่างนี้นะเหมือนกันหมดอะงั้นไม่ใช่อันไหนดีกว่าอันไหนหรอกมันต้องดูว่าเราเหมาะกับกรรมฐานอะไร พวกคิดมากชอบคิดมากอย่างต้องการทําความสงบแล้วเป็นคนที่คิดมากอุตรุดเลยจะไปเลิกคิดอะไรทําไม่ได้ก็ทํากรรมฐานที่ใช้ความคิดเลยย้อนสอนมันอยากคิดฟุ้งซ่านหรือแทนที่จะให้คิดฟุ้งซ่านก็ให้มันมาคิดถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นะให้คิดถึงทานที่ได้ทําแล้วคิดถึงศีลที่ได้รักษาไว้ดีแล้วคิดถึงความสงบคิดถึงร่างกาย นะคิดถึงปฏิกูนาสุภาอะไรเนี่ยนะคิดถึงลมหายใจคิดถึงความตายอะไรเนี่ยคิดถึงพวกนี้คิดไปเรื่อยในเรื่องพวกนีนะ้พวกนักคิดทั้งหลายเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะพามันคิดเรื่องเหล่านี้คิดแล้วใจสงบนะก็ได้สมถะเหมือนกันถ้าคนไหนใจฟุ้งเก่งหนีไปบ่อยกนะ็จะรู้ลมหายใจ รู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทั น, น, นพวกฟุ้งเก่งๆก็มาดูลมหายใจแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนขี้โมโหามากนะยิไปห้ามมันว่าอย่าโมโหอย่าโมโหไปเชื่อมันมันไม่ไม่จิตมันไม่เชื่อหรอกนะจิตไม่เชื่อขี้โมโหเหรอจเจริญเมตตาไปเรื่อยๆนะคิดถึงสัตว์ทั้งหลายด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรนะมีความเป็นมิตรตัอสรรสัตว์ทั้งหลาย ใช้เบื้องต้นจะบริกรรมไปก่อนก็ได้เมตตาคุณัางอารหังเมตตาเมตตาคุณังอารหังเมตมตาบริกรรมไปทําใจให้สบายใจใมีความเมตตาขึ้นมานะัร่มเย็นเป็นสวยความขี้โมโหก็หายไปคนไหนบ้า ก, กามมากใหนะ้ดูปฏิกูลสุภนะนีแต่ทุกคนไม่เหมือนกันเมืนะ่อเราดูนิสัยของตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนนะพระพุทธเจ้าประทานกรรมฐานเอาไว้ให้ คบทวนทุกๆวกนิสัยนะนิสัยอันเดียวที่ท่านช่วยไม่ไหวจริงๆนิสัยขี้เกียจนะไม่ยอมภาวนานะท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านก็ปล่อยนะเวลาสอนกรรมฐานนะท่านบอกสอนกรรมฐานเหมือนคนฝึกม้าทั่นว่างี้นะนนะม้าบางตัวก็ฝึกง่ายนะฝึกง่ายก็ให้กินอิ่มให้นอนให้พอพักให้พอถึงเวลาพาไปฝึกนะ มาบางตัวดือ้อแรงมากพยศมากก็ฝึกแบบทรมานให้มากหน่อยให้มันกินน้อยๆ น, นะทรมานมันให้มันเหนื่อยมันหมดเรียวหมดแรง อ, อย่างนี้ก็ยังฝึกได้ตตัวไหนที่ฝึกไม่ได้ท้าบอกฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งคือไม่สอนปล่อยทิ้งไปบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนกรรมาฐานได้บางคนไม่มีความพร้อมที่จะเรียนก็ยังไม่ต้องเรียนนี่เราก็มาดูตัวเอง หวังว่าเราคงไม่ใช่ม้าประเภทสุดท้ายนะเอาประเภทไหนดีเพศกินอิ่มนอนอุน่นตื่นขึ้นมารู้สึกตัวปิ๊งปิ๊งบรรลุธรรมฝันไปเถอะขี้เกียจไม่ค่อยได้กินหรอกต้องสู้นะบารมีพวกเราไม่ได้มากจริงหอถ้าบารมีมากจริงนะคงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุแบบยุ้งน้นแล้วล่ะ ไม่ต้องมานั่งฟังหลวงพ่อหรอกนะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดูตัวเองนี่ใส่แล้วเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกกรรมาฐานที่เหมาะกับตัวเราเองในส่วนของสมถาก็ว่าให้ฟังแล้วนะช่างคิดก็พามันคิดเลยคิดเรื่องบางเรื่องไม่ใช่คิดทุกเรื่องคิดบางเรื่องเราสงบนะฟุ้งซ่านเก่งก็มารู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิต ท, ที่ฟุ้งซ่านไปนะชอบ บ้า ก, กามมากพิจารณาอาสุภะไม่สวยไม่งามหรืออาฆาตพยาบาทมากอะไรนะ<ม>อะไรอะไรก็เอาไม่ลงแล้วกรรมฐานอะไรก็เอาไม่ลงสัอย่างเลยนะส่วนนิสัยเราเนี่ยสุดยอดเลยเป็นประเภทมาประเภทเกือบเกือบตัวสุดท้ายที่จะถูกฆ่าละอะไรอะไรเอาไม่ลงนกรรมฐานที่สุดยอดเลยก็คือมรณสติคิดถึงความตายไว ใจมันจะพอหลอลงมาบ้างยอมฝึกให้เชื่องได้บ้างเนะนี่ยเรื่องของสมรถะส่วนเรื่องวิปัสสนานะเราก็ามาดูนิสัยตัวเองอีกนิสัยของเราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหรือนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นถ้านิสัยเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามกรรมาฐานที่เหมาะคือการดู ก, กายกับเวทนา ร่างกายกับเวทนาจะสอนให้เราเห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามร่างกายนะดูเข้าไปเถอะจะเห็นความจริงไม่สวยที่ว่าสวยๆนะสวยปลอมนะอย่างพวกเราสาวๆตื่นขึ้นมาหน้ามันไหมหน้ามันสวยไหมหน้าใครๆเข้ามันไก่ไม่สวยก็องไปล้างหน้า ล่างหน้าแล้วก็ยังสวยไม่เต็มที่กนะ็หาแป้งหาอะไรมาทาอีกให้ดูสวยก็หลอกคนโง่ไดนะ้ว่าสวยตัวเองรู้แล้วล่ะตัวเองไม่สวยนะตัวเองสปกปรกก็พยายามทำให้ดูดีตัวมีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นหอมร่างกายของคนเหม็นนะไม่หอมหรอกถ้าใครว่าหอมอย่าไปอาบน้ำสิอย่าไปถูสบู่สินะ สักพักเดียวก็ความจริงก็ฟ้องแล้วตั้งแต่หัวถึงเท้านะมีแต่คําว่าขี้นะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนให้ฟังขี้อะไรอยู่สูงที่สุดขี้หัวขี้อะไรต่ําที่สุดนะขี้ตีนอะไรเงี้ยนะขี้เล็บสารพัดขี้เลยนะขี้มูกขี้หูขี้ฟันสารพัดขี้เลยขี้เหงื่อขี้ใครขี้เต่าขี้สารพัดเลย เนี่ยสำหรับพวกที่อู้ชั้นสวยชั้นสวยนะมาดูปฏิกูิยานสพานใจมันจะหลงนี่ถ้าจะเดินวิปนะัสสนานก็มาดูกายต่อมาดูกายที่มันหายใจออกมาดูกายที่มันหายใจเข้าใจมันเคยสงบอยู่แล้วเคยเห็นร่างกายไม่ดีพิเศษวิโสอะไรใจมันถอยออกมาเป็นคนดูไม่อินกับร่างกายนะไม่อินกับร่างกายมันก็เห็นความจริงของร่างกาย ตอนทำสมถะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามตอนทำวิปัสสนาก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นแค่คนละมุมนะถ้าทำวิปัสสนาอยู่แล้วเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเบียสมถะงั้นอย่างบางท่านท่านภาวนาพุทโธแล้วมาพิจารณกายเป็นปฏิคูณสุภาษิตท่านบอกเป็นวิปัสสนาไม่เป็นนะวิปัสสนาเราเห็นไตรลักษณ์เห็นไม่ใช่ตัวเรา ถ้าเห็นเป็นปติกูลในไอสุภาอะไรนี้เป็นสมถะแน่นอนเลยทำแล้วใจสลดลงมานะข่มราคาได้ช่วคราภนี่ถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายมาดูเวทนามีสองอันทําไมต้องมีสองอันพวกที่บา ร, รมีไม่มากดูกายไปดูกายกายดูง่ายนะพวกบา ร, รมีมากขึ้นแก็ดูเวทนาพวกปัญญามากดูเวทนา เวทนาดูยากกว่ก า, ร, า, าร่างกายเวทนาใส่ร่างกายเกิดอยู่ในร่างกายนี้าปัญญาไม่แก่กล้าก็ดูร่างกายมันเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายยืนเดินด น, นั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนคอยดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจะถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานี่ถ้าปัญญาแก่กล้าดูแค่นี้มันเบือ่อก็ดูความละเอียดเข้าไปอีก ในร่างกายเนี่ยมันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดูลงไปร่างกายนี้ทีแรกนึกว่ามีความสุขดูไปดูไปมีแต่ความทุกข์เดี๋ยวตรงนังนก็ทุกข์ตรงนี้ก็ทุกข์นะจะทุกข์ไปเรื่อยนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เราคิดว่านอนเป็นสุขเวลานอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาทำไมต้องพลิกไปพลิกมาเพราะมันปวดมันเมื่อยนะมันทุกข์มันทุกข์มันก็จะต้องขยับตัว หีความทุกข์ไปเรื่อยๆเนี่ค่อยรู้สึกอยู่เห็นด้ว่ามีแต่ก้อนทุกข์ไม่ใช่ของดีอะไรใจค่อยเบื่อค่อยคลายจะเห็นเลยว่าร่างกายมันก็อันนึงนะความทุกข์มันก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเนี่ยมันดูละเอียดขึ้นถ้าดูกายมันก็แค่ว่ากายอันหนึ่งใจอันหนึ่งถ้าดูเวทนาบกายอันนึงเวทนานหนึ่งใจอันหนึ่งมันสามอันนั้นไปดูละเอียดกว่าดูยากกว่า พวกปัญญากล้าเนี่ยดูน้อยๆไม่ได้ไม่พอใจลาคาญมันน้อยไปเนี่ยถ้าเราดูกายดูเวทนานะาความรักในร่างกายเนี่ยจะลดลงจะเห็นร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่ถูกความทุบบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา<ม>จะเห็นอย่างนี้เวลาทำํำวิปัสสนานะถ้าไปมองในมุมของความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิคริสุภา็ได้แต่ความสงบเป็นสมุทะนะ ดูร่างกายอันเดียวกันนั่นแหละแต่ดูคนละมุมก็ได้สิ่งที่แตกต่างกันถ้าดูร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูิยสุภาพอะไรนี่ได้ความสงบนะถ้าใจตั้งมั่นถอนออกมาแล้วเห็นร่างกายเห็นเวทนาอะไรนี่เกิดดับไปไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้นะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะก็ได้ปัญญาถอนความยึดถือในใกายในใจได้ทํำวิปัสสนาเนี่ยจะถอนความยึดถือในใกายในใจนะ ถ้าทำสมถะทำให้ใจสงบสบายมีความสุขเป็นคนละอันกันอนะยากให้ออกนี่สําหรับคนซึ่งเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคิดทุกเรื่องวิภาควิจารณทุกเรื่องนะเจออะไรก็วิจาร์หมดนี่นอนดีนี่ไม่ดีอย่าง น, อ น, น, นะ อ, างนอนถูกอย่างนี้ผิดวนะิจาร์หมดไม่ใช่เรื่องของเราก็เที่ยววิจารณนะ์ฟุง้งซ่านในเรื่องคนอื่นตลอดเวลานะสนใจสิ่งภายนอกตลอดเวลานะ จเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นคนยุคเราเนี่ยเป็นยุคเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นชอบมีความคิดความเห็นเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นทุกเรื่องเลยอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเลยเอามาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นไอ้นี้ใส่ยอย่างนี้นะกรรมฐานที่เหมาะมากเลยคือการดูจิตตัวเองถ้าเราหัดดูจิตดูใจตัวเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าจิตใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใจคนอื่นได้ยังไง อย่จิตใจเราเราจะสั่งให้ดีมันก็ไม่ค่อยจะดีนะห้ามชั่วมันยังชั่วเลยตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธตั้งใจจะไม่รักก็รักเนี่ยมาเฝ้าดูอยู่ในใจตัวเองนะจะเห็นเลยว่าไอ้ความคิดที่จะไปจัดการคนอื่นนะหาสาระไม่ได้เลยแช่ความคิดเจ้าความเห็นไม่มีประโยชน์เลยกระทั่งใจตัวเองตัวเองอยังสู้ไม่ได้เลยกิเลสลากถูรูดถูกกลงังไปทุกวันทุกวันนะึกว่ากูเก่งกูเก่งเนี่ยมาดูจิตใจตัวเองนะมันเหมาะกับพวก เจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกทิฏฐิจริตนี่สําหรับพวกทิฏฐิจริตมันก็ยังมีสองข่ายนะสองกลุ่มกลุ่มที่อินทรีย์อ่อนนะก็ดูจิต ด, ดูใจไปเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ชั่วดูมไปเรื่อยนะถ้าพวกปัญญาแก่กล้าขึ้นนะธรรมะที่เหมาะนะกับพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะั่นคือรำมานุปัสสนาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาแล้วไม่ใช่เห็นแค่สภาวธรรมยังเห็นนิวรณนน์ นิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ตั้งอยู่นิวรณ์ดับไปไม่ได้ดูแค่นี้จะดูถึงเหตุถึงผลด้วยนะทำไมนิวรณ์ตัวนี้ถึงเกิดทําไมนิวรณ์ตัวนี้ถึงดับทําไมนิวรณ์ตัวนี้จะไม่เกิดอีกเนี่ยจะดูอันนี้ละเอียดเข้าไปอีกหรือดูเรื่องขันห้านะเรื่องอายตนาหกนะเรื่องอินทรียเรื่องอริยสัจเนีแต่ละอันต่ละอันมันจะละเอียดประณีตลึกซึ้งมาก งันแต่ละคนนะดูตัวเองถ้าเราเจ้าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นก็ดูจิตถ้าดูจิตแล้วปัญญาแก่กล้าขึ้นมามันจะเค ย, ย์บขึ้นมาดูธรรมะเจรเิญในธรรมานุปัสสนาได้ถ้าไม่แก่กล้าดูดูจิตไปดูจิตนะให้ดูจิตไปเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วดูไปพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามมาดูกายไป สันนิฐานไว้ก่อนว่าบารมีพวกเราน้อยนะอย่าเพิ่อสันนิฐานว่าบารมีเยอะนะท่อมตัวนิดหน่อยบารมีเรายังน้อยเพราะน้นถ้าเราเป็นพวกตัณหารจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายไปก่อนยังไม่รีบร้อนดูเวทนาหรอกถ้ากำลังมันพอเดี๋ยวมันขยบไปดูเอาเองแหละหรือเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, น, นก็ดูจิตมันเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างนะดูไปเรื่อย อนะันนี้ฐานว่าบารมียังน้อยไว้ก่อนนะถ้าบารมีมันเยอะกว่านั้นมันยอย่าเพิ่มไปดูธาตุดูขันอะไรนะดูยตาะดูนิวรนะดูปฏิจจสมบัติเริยสัตวนะ์ไปดูของมันเองนะบางคนไม่เจียมตัวเลยหลวงพ่อเจอนะจะทำกรรมฐานจะดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทนะเอาอะไรมาดู สมาธิยังไม่มีเลยใจยังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยนะไออาจะดูปฏิจจสมุปบาทนีปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ของเล่นอย่างพวกเราพาวาแทบแย่เลยนะเราเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนปลายเท่านั้นนะท่อนต้นไม่เห็นหรอกอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเห็นไหมคิดได้แต่คิดนะแต่เห็นนะ่ะไม่เห็นหรอกสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเห็นไหมไม่เห็นหรอก วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเห็นไหมไม่เห็นหรอกนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะนี่ชักจะเห็นหน่อยๆด้วยการคิดอายตนะทำให้มีผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเนี่ยพอจะเห็นได้ก็เลยมาเห็นตอนปลายๆงั้นทำกรรมฐานนะเจียมเนื้อเจียมตัวดูกายดูใจของเราง่ายๆทำกรรมฐานง่ายๆเลยดีทำอะไรซับซ้อนมากมัคิดเกิน สรุปนะที่ตรงพ่อสอนมันนี้ก็คือการจะทำกรรมฐานเนี่ยให้ดูตัวเองกรรมฐานมีสองส่วนสมถกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขความสงบของจิตใจทำให้จิตใจมีเรียวมีแรงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทำให้เห็นความจริงของกายของใจนะจนทอดความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราของเราได้หมดความยึดถือนะเนี่ยวัตถุประสงค์คละอันกันสมถา น, นี่ ทำให้ใจสงบมิปา ส, สนาทำให้ใจฉลาดนะเราดูนิสัยตัวเองนิสัยเราเป็นแบบไหนเราก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะถ้าเราเป็นพวกราคาจริตราคะมากเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยก็มาดูกรรมฐานที่ข่มราคะดูของไม่สวยไม่งามนะดูปฏิกูลาสุภาพดูอะไรพวกนี้ ถ้าเราเป็นพวกขี้มโมโหเราทำกรรมฐานที่มันร่มเย็นเป็นสุขเจริญเมตตาคารุณามุทิตาอุเบกขาอะไรนั่งเราไปด้วยนะถ้าไม่มีอุเบกขาก็ขี้มโมโหได้นะอย่างเราเห็นคนน่าสงสารเราก็แนะนำว่าทําอย่างนี้ซิอะไรเขาไม่เชื่อเรามโมโหเลยนะหรือถ้าเราเป็นพวกฟุง้งนซะ่านถ้าฟุ้งซ่านพอดีพดีเราก็รู้ลมหายใจไปถ้าพวกคิดไม่เลิกเลยนะก็พามันคิดคิดมัน ถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์คิดมันถึงทานถึงศีลคิดถึงความสงบนะคิดถึงปฏิกูลาสุภาคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังคิดถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าคิดเอาไม่ใช่รู้คิดเอาคิดยังไงคิดเลยว่าเนี่ยหายใจออกแล้วนะเรากําลังตายไปทีนึ่งละหายใจเข้าในชีวิตเราก็สั้นลงไปอีกทีหนึ่งละ ขีนาไปเรื่อยใจมันก็สงบลงมาแล้วเราไปดูตัวเองนะนิสัยเราพวกบา ก, กามก็ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งพวกขีมโมโหเขาทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพวกขีฟุ้งก็ทํากรรมฐานไปอีกอย่างหนึ่งถ้าจะทำํำวิปัสสนาก็มาดูนิสัยตัวเองนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็ดูกายดูเวทนานิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูจิตดูธรรม หลักของการทำสมถาก็าน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์นั้นต้องมีความสุขด้วยนะในเคล็ดลับตัวนี้เป็นเคล็ดสำคัญนะอย่างบางคนเป็นพวกชอบสวยชอบงามพวกราคาจริตนะแต่เวลาทำกรรมฐานเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยต้องพิจนาสุภษนะแม้แต่ใจมันขยักขยัางสุภาษะมากเลยมันไม่ไหวนะไม่ไหวก็ต้องปรับนะปรับค่อยๆสังเกตไป อย่างสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเป็นช่างทองเป็นหนุ่มช่างทองไปบวชอยู่กับพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรทื่เเห็นว่าเนี่ยเป็นพวกราคาจริตให้ดูอสุภะท่านดูแล้วจิตใจฟุ้งซ่านมากเลยขยักขยั่งตลอดเวลาใจไม่สงบเลยก็ไปลาศึกอยากจะศึกแล้วพอดีไปเจอพระเจ้าพระเจ้าไปบินธบาติมาได้ดอกบัวมาสวยบัวแดง ถ้าไปอินเดียจะเห็นนะมันไหว้ไหว้พระด้วยบัวสายนะบัวแดงบัวที่เราเอามากินน่ะคนอินเดียไ้ใช้ไหว้พระท่านให้ดอกบัวแดงบานๆไปดอกหนึ่งสวยบอกให้ไปปักที่พื้นสายข้างกุฏินะแล้วก็นั่งดูดอกบัวนี่ไปพระนี่ชอบนะดอกบวมสวยดูแล้วชอบปักไว้พอแดดมันออกนะดอกบัวค่อยเหี่ยวเหียวเหียวนะี่ยท่านเห็นถึงความไม่แน่นอนนะใจสลดลงมานะ ใจสลดลงมานะั้นได้สมาธิขึ้นมาพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็บราารลุพระอรหันต์งั้นมันเป็นศิลปะนะมันไม่ได้ตายตัวเป๊ะๆ เ, เลยว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องเงี้ไปสังเกต ต, ตัวเองเอายุคนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะบอกเรานะสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลเนะี่ยเข้าไปหาหลวงปู่ดูลเนะี่ยไปถามกรรมฐ า, านนะ่ะหลวงปู่ดูลจะไม่ตอบนะท่านจะนั่งหลับตาเงียบๆไป ครึ่งชั่วโมงบงชั่วโมงหนึ่งบ้างนะลืมตาขึ้นมาท่านหนึ่งจะสอนถ้าสอนอยังไงเราไปทำอย่างนั้นจะพอดีเป๊ะเลยคือท่านจะดูประวัติเราว่าเราเคยทำกรรมฐานอะไรเหมาะอะไรแล้วท่านก็บอกให้ยุคนั้นท่านทำได้นะเพราะว่าหลายหลวันมีคนไปถามกรรมฐานครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยใครไปบอกได้เมมาแล้วให้หลวงพ่อหลับตาคนละชั่วโมงนะโอ้โหนี่ตั้งเดือนหนึ่งยังไม่หมดเลยใช่ มันไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยตัวเองนะสังเกตตัวเองเอาช่วยตัวเองนะยุคนี้เราเรียนกรรมฐานแบบแมชโปรดักต์นะสมัยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไปคนหนึ่งสองคนอะไรเงี้ยท่านสอนได้ละเอียดจําจี้จำชัยได้จะไม่เทศนะครูบาอาจารย์เวลาเราเข้าไปเรียนกรรมฐานด้วยไ ม, ไม่ไม่นั่งเทศหรอกใครเคยเรียนกับหลวงพ่อตอนสมัยหลวงพ่ออยู่สวนโพมั้งยุคแรกๆใครเคยเรียนไหม เห็นไหมไ ม, ไม่เทศว่าทีละคนเลยทําไมว่าทีละคนได้วันหนึ่งมีห้าคนนะพูดทีละคนได้มาเดี๋ยวนี้วันหนึ่งตั้งหลายร้อยนะใครจะไปพูดด้วยก็ต้องพูดรวมๆพูดรวมๆก็คล้ายๆครูบาอาจารย์ท่านคล้ยๆบอกว่าหวานเข้าเปลือกลงไปเวียงเข้าเปลือกลงไปกํามือหนึ่งชุบไก่ที่ฉลาดก็มากินไก่ที่โง่ไหน่ไนไหนนะ <laughs> ไม่ได้กินนะมัวแต่ดู พยายามทําตัวเป็นไก่ที่ฉลาดหน่อยนะเพราะว่าไม่มีใครเอาข้าวมาป้อนให้ใครมาข้าวมาป้อนเราครูบาอาจารย์ทําไม่ไหวดอกพวกเราเยอะตัวอย่างยุค ข, ของเรานะเราถูกฝึกให้ช่วยตัวเองให้เยอะขึ้นดีมากเลยแต่คนไทยนิสัยเสียนะสอนลูกแยมก่มากๆเลยจนโตแล้วยังต้องป้อนข้าวอะไรเงรี้ยไม่ไหวเด็กญี่ปุ่นนะสองขวบต้องไปโรงเรียนเองนะห้ามพ่อแม่ไปส่งนะ ขนาดนั้นเลยแต่ครูมันจะมาดักอยู่ตามสี่แยกตามทางข้ามถนนคอยดูคอยดูนะยดแต่ไม่ช่วยนะคอยดูยกเว้นอันตรายจริงๆพ่อแม่เนี่ยห้ามมายุ่งนะพ่อแม่ตามมาเดินดูลูกแล้วก็ถูกเรียกไปโรงเรียนเลยไปอบรมพ่อแม่อยู่มาทำนิสัยลูกให้เหลวพ่อแม่ไทยไหมคนหนึ่งขับรถคนหนึ่งป้อนข้าวอยู่ในรถเลยนะบางคนต้องไปคนเดียว คุณแม่ขับรถไปป้อนข้าวลูกไปด้วยทาลิปสติกไปด้วยบางทีกม็มั่วจะป้อนลูกยัดใส่ปากตัวเองจะทาลิปสติกทาให้ลูกเลยนะเสับสนในชีวิต <c oughs> ต้องฝึกนะไปฝึกเอาช่วยตัวเองให้เยอะสังเกตตัวเองนะถ้ามีราคะจริตจะทําสมถะเนี่ยจริตของสมถะนะหลักๆเลยก็ราคะโทสะโมหะ ที่มโมโหก็จเจริญกรรมาฐานประเภทเมตตากรุณาอะไรอย่างนี้ไปนะบ้ากามมากก็ดูปฏิกูณาสุภาไปฟุง้งซ่านมากก็รู้ลมหายใจไปหรือคิดพิจารณาไปนะก็ดูเอาแค่ไหนเหมาะกับเราถ้าทำวิปัสสนานมีจริตสองอันไม่ใช่ราคาโทสะโมหะแล้วนะราคาโทสะโมหะเนี่ยสำหรับทาสมถะนะ ถ้าจริตของวิปัสนาเนี่ยเรียกตันหาจริตกับทิฏฐิจริตตันหาจริตรักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกเนี้ยดูกายและเวทนาดูกายหรือเวทนานะถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเรียกว่าทิฏฐิจริตดูจิตหรือดูธรรมนะแต่เบื้องตอนน้นนะดูกายดูจิตไปก่อนง่ายแล้วก็ไม่นขยับขึ้นไปเห็นเองนะที่สูงขึ้นไปไปดูตัวเองนะแล้วก็เลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองเลือกแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดู อย่าเปลี่ยนกรรมฐานทุกวันนะวันนี้ทำอย่างนี้วันนี้ทาอย่างนี้เป็นคนจับจดคนจับจดไม่เคยทำอะไรสาเร็จสักเรื่องเดียวนะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเมื่อวานนี้มีคนมาส่งกันบ้านนะวันนี้มาเปล่าไม่รู้ย้ายงาน40ครั้งแล้วนะยังสาวอยู่เลยนะย้ายงานสีนะ่ครั้งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งหรือมั้งทั้งนั้นนะงั้นอย่างนี้ไม่ประสบความสาเร็จอะไรหรอกไม่สู้นะกรรมฐานก็เหมือนกันย่เปลี่ยนทุกวัน สังเกตตัวเองให้ดีแล้วค่อยๆลองทําไปทําไปอดทนนะค่อยๆทําไปอย่าหวังว่าจะดีในวันเดียวหรือเดือนเดียวปีเดียวทําเล่นๆไปเรื่อยทําไปแล้วมันพัฒนาให้เห็นดูสมเดือนหลายไตรามาสแล้ได้ภนานารายไตรมาส ถ, ถ้าทําถูกทำถูกต้องแล้วก็มันจะเจริญขึ้นอย่าดูรายวันดูรายวันแล้วสับสนนะเพราะว่ามันจะเจริญแล้วเสื่อมตลอดเวลาแต่ถ้าดูรายไตรามาสจะเห็นความแตกต่าง ลายใจมากสามเดือนดูทีหนึ่งนะสามเดือนสังเกตประเมินผลตัวเองนะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ